พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าจะฉลาดได้ก็ด้วยการฟังวันนี้เป็นวันที่28 กันยายนพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อวันก่อนวันก่อนก็ออกไปฉันที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นศูนย์หัวใจขอนแก่นเขาทำบุญหลวงพ่อได้กับคณะสงฆ์ได้ไปฉันแล้วก็เขามอบทุนสาหรับ ผู้ที่ผ่าตัดหัวใจที่หลวงพ่อไปสร้างห้องผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลศูนย์และก็คณะแพทย์ได้ผ่าตัดหัวใจเพียงปีกว่าั้งได้ทั้งสามร้อยกว่าคนก็รู้สึกว่าผลงานที่ได้ผ่าตัดมากพอสมควรแล้วก็ได้มอบปัจจัยรือมอบเงินทางรัฐบาลเขาให้ผู้ที่ยากจน เมื่อผ่าตัดแล้วก็ต้องจะต้องได้ติดตามติดตามผลแต่แต่ว่าผู้ที่ป่วยผนะ่าตัดเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินจะมาโรงพยาบาลได้เพราะว่ายากจนในทางรัฐบาลทางหมอก็ก็มอบเงินให้ที่หลวงพ่อไปในะ20 20คน20่รายให้คนละ1 0 0หนึ่งหมื่นทางพ อ, อเขามอบให้ หลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าคนนะมันไม่เหมือนกันถึงจะผ่าตัดออแล้วก็ไม่รู้จะมาโรงพยาบาลได้อย่างไรถ้าหมอนัดก็มาไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีเงินนะี่แหละความยากจนหลวงพ่อไปก็ได้ไปได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเอา หลวงพอดีใจไม่ไแต่ผ่าตัดหัวใจหวใจลวงพ่อจะดีใจอย่างมากถ้าว่าพี่น้องประชาชนไม่เจ็บไม่ป่วยนะพี่น้องประชาชนพวกเราไม่เจ็บไม่ป่วยหลวงพ่อเองจะดีใจมากแต่ถ้าแต่จะทําอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้เหมือนกันผิดหลักธรรมชาติธรรมชาติจะเกิดแก่เจ็บตายโดยมากมันเจ็บซะก่อนจะค่อยตาย เพราะนั้นก่อนขณะที่เจ็บจะทำยังไงได้ก็ต้องช่วยกันพันบันเทาทุกที่ได้ไปสร้างห้องผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลเนี่ยช่วยตรงนัง่นแหะช่วยตรงกลางเนี่ยคือความเจ็บน่ความเจ็บไข้จะช่วยได้อย่างไรแต่จะไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเฉลยก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องสอนธรรมะเข้าสู่จิตใจ ให้ละกิเลสเนอะลูกหลานศรัทธายาจโสมเนอะถ้าหาว่าสู่เจ้าทั้งหลายมาเกิดแก่ความแก่ก็ต้องตามมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องตามมาแล้วก็ความตายก็ต้องตามมาในที่สุดอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วแต่นึ้ที่หลวงพ่อไปวันก่อนก็เนี่ยไปเห็นเห็นแล้วก็ไปช่วยในระดับหนึ่งใน คณะแพทย์ทางโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นทั้งพ อ, อทั้งคณะแพทย์มาเรียนมาบอกกล่าวให้หลวงพ่อได้ทราบหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เอ อ, เ อ, อก็วางถูกแล้ ว, ว่าเดินทางถูกเรื่ ว, ว่าช่วยประชาชนถึงมือถึงมือประชาชนที่ความทุกข์ยากลําบากจริงจริงแต่เมื่อวานก็ออกไปฉันที่ อุดอรอันนี้เกี่ยวกับงานข้อพรอบตรี่จ ะ, กะเกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแต่หลวงพ่อก็ได้รู้จักมักคุ้นกับนานและกัลูกชายของท่านอของอาจารย์ก็มาบวชอยู่กับหลวงพ่อปีนี้แล้วก็ท่านเป็นผู้สอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับการพุทธศาสนานาะ่ทั้งสึ่รู้สึกว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับลูกศิษย์อย่างมากๆจากนั้นก็ได้ช่วย อ, องค์หลวงตาเกี่ยวกับทอดผ้าป่าพาลูกศิษย์ทอดผ้าปาา่ า, ปาสร้างเกดีหลวงตาแล้วก็เกี่ยวกับมูลนิธิหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธอย่างนั้นแหละคือ ท, ทำคุณประโยชน์ ไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปฉันสวดมนต์รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเต็มไปหมดหมากทีเดียวเมื่อวานเนี่ยมากเลยไม่ใช่มากธรรมดาอพออาจารย์ญญเป็นผู้กว้างกวางกับบรรดาศิษย์หรือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่พอกลับมาถึงวัดหลวงพ่อก็ทราบอีกเหมือนกันว่าพี่น้องทางกลุ่มภาวปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มา ตักบาทหรือใส่บาทหลวงพ่อเป็นคณะใหญ่ปีที่แล้วนี่จากหน้าสลาของเรากระ น, น, นู้นไปถึงถนนนู้ น, นโค้งไปโค้งมาอีกคนเยอะแต่ปีนี้เขาไม่ได้บอกหลวงพ่อก่อนเขาก็มาสุ่มมาเลยพระสุ่มมากหลวงพ่อก็ออกไปนอกวัดก็พลาดกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพระอยู่ในวัดของหลวงพอ่ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น น, นั่งเรียงกั น, นี่ย เต็มไปหมดไม่ใช่ว่าจะมาถวายแต่หลวงพ่อหลวงพ่อก น, นนะัน ร, รับรับรู้รับทราบแล้วก็เพียงพอแล้วก็ตอนเที่ยงก็มีคณะมาจากหนองคายจากอำเภอบึงการฟังฟังดูแล้วก็ตั้งฝ่ายพระสงฆ์เกือบ50สรูปแล้วก็ถามถามดูว่า10กว่าอำเภอรครับหลวงพ่อโอ ศรัทธาญาติโยมก็เต็มศาลาอีกเหมือนกันอันนี้คือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมไปกราบครูบาอาจารย์เพื่อทำวัดคําว่าทำวัดกันนี่คือคัระวะไปคัระวะมุดน้ำํดำดาหัวตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอันนี้ก็คือการไปกราบครูบาอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้โดยมากทุกเสาร์อาทิตย์ วัดต่างๆก่นหลังไหลเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าก็เป็นผลดีไหมก็ดีเพื่อจะได้รู้จักมักคุ้นเป็นการทัศนศึกษาถ้าว่าเราอยู่ตามลําพังไม่เคยไปวัดไหนเลยเราก็คับแคบถ้าเราไปเห็นครูบาอาจารย์วัดต่างๆท่านพาดําเนินยังไงไปแห่งหนึ่งถ้าเราสังเกตนะตาดู หูฟัง เ, เมื่อเราไปสู่วัดครูบาจารย์แล้วครูบาจารย์บอกยังไงในเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าของวัดหรือครูบาจารย์ที่เราไปเคารพคารวะ เ, เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆของแต่ละวัดาพาญาติโยมไปญาติโยมก็จะได้รู้ได้เห็น เ, เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในวัศนศึกษาถ้าเราไป ท่าเราอยู่แต่ที่เก่าเราก็หวานเราเลยละแน่แต่พอไปที่อื่นใช่เราก็ไม่แน่ทั่วไปนะเราจุดอ่อนของเราก็มีจุดแข็งของท่านคือจุดนี้ อ, อันนี้คือเพื่อจากนั้นเราก็เอาจุดแข็งของท่านมาเติมจุดอ่อนของเราอันนี้ก็คือการไปเรียนรู้เพื่อการศึกษาแต่หาว่าเราไปไม่ได้ศึกษามีแต่สักป่าไปเฉยๆไปที่ไหนก็ซื้อบื้อซื้อบืออบ้อไปเรื่อย อันนั้นแปลว่าไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เผลอๆยัง เ, เป็นโทษอีกต่างหากอันนี่ก็คือการไปดูวัดวาศาสนาอย่างพมก่วานนี้แต่ก็บมื่อตอนเย็นๆกันเนี่ยคณะของอาจารย์บ้านเทวธรรมมาจากโคราชเนี่ยมานั่งอยู่ตรงหน้าของหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ก็ประมาณห0สิบกว่าห0สิบกว่าท่านแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ถามดู แต่มีในจดหมายบอกว่า60กว่าท่านหรือจะมากหรือน้อยก็ยังไม่ได้สักไซสลายเลียงถามกันแต่ก็มากพอสมควรจากนั้นก็มีพี่น้องมาจากลูกหลานมาจากออสเตรเลียอีกที่มาทำบุญเพราะนั้นวัดวาศาธนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นศูนย์รวมเป็นส่วนรวมของพุทธบริษัทที่มาเพื่อการศึกษา ถึงยังไงก็ตามนะพี่น้องลูกหลานทุกคนที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนา เ, าเมื่อมาเห็นแล้วก็ น, นี่แหละ เ, เพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษา เ, าเมื่อได้ยินได้ฟังอะไราบางทีหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะแจกไม่เหมือนวัดอื่นๆวัดอื่นๆท่านแจก เ, เครื่องรางของขังบั่งเหรียญบั่งรูปบั่งแตุ่หลวงพ่อได้แจกยูแจกรูปครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งแจกรูปโลโก้หลวงตา จากนั้นก็ทำโดยมากจะเน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาหรือหนังสือธรรมะให้กับคณะสัทธาติยาโยมแต่บางครั้งก็คิดเหมือนกันทาไมหลวงพอคิดยังไงบางทีแจก mp3 บางทีแจกหนังสือให้ไปจะมีเวลาอ่านเวลาศึกษาหรือเปล่าน้อลูกหลานเ พ, อ เ, พอเผออาอาจจะเอาหนังสือไปเท้งหรือเอา mp3 ไปทิ้ง หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะเวลาแจก MP3 แจกหนังสือให้ไม่ใช่หลับหูหลับตาแต่หลวงพ่อก็บอกว่านะลูกหลานถ้าวันลูกหลานเอา MP3 หลวงพ่อเนี่ยไปฟังอย่าไปฟังกันเดียวตั้งใจฟังฟังให้จบแผน่นหลวงพ่อมั่นใจว่าใน MP3 ของหลวงพ่อแจกไปนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ได้ยินได้ฟัง พอหลวงพ่อเองก่อนที่จะแจกออกไปหลวงพ่อก็ฟังเสียงหลวงพ่อเหมือนกันแต่ตามไม่จริงอาจตัวเองฟังอาจตัวเองฟังเสียงตัวเองหรือฟังความคิดของตัวเองอาจจะพอใจแต่คนอื่นฟังอาจจะไม่พอใจอันนั้นก็อาจจะเป็นได้แต่หลวงพ่อเองก็ได้ฟังดูแล้วก็ อ, อเหตุการณ์เล่าเข้ากับเรื่องราว เนี่ยที่หลวงพ่อพูดไปเพราะหลวงพ่อเองนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะขันธ์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเวลาไฟังเทศครูบาอาจารย์หรืออยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งเมื่อเราฟังธรรมเทศนาหรือฟังแนวความคิดของท่านหลวงพ่ออย่างถ้าเป็นอย่างเราเราคงไม่พูดนะไอ้อย่างนี้มันมีอยู่นะแต่ถึ ง, ถงยังไงเราจะให้พูดอย่างเราที่ต้องการคําพูดของเราต้องการทุกคํา เขาก็เรียกว่าหลวงตาอินทั้งบ้านทั้งเมืองไปที่ไหนก็หลวงตาอินทั้งหมดพอพูดอยากจะให้พูดเป็นเสียงเดียวกันใชอันนี้ก็นานาจิตตังนาน า, นาทัตจนะนานาความคิดเห็นในเมื่อท่านพูดขึ้นมาเรามีหน้าที่ฟังเราก็ต้องฟังฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผลไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยทั้ง 84% ดหมพันพระธรร ม, มขัน ชุดแท้แต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะหยิบยื่นเอาตรงไหนมาพูดมาแสดงมาตีแผ่มาชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ถ้าหากว่าบางองคอ์ท่านก็พูดน้อยอบางองค์ท่านก็พูดมากถึงจะพูดมากหรือพูดน้อยเราก็ต้องฟังฟังในเหตุในผลนั้นๆพราะพระเจ้าท่านพูดมาก ท ำ, ทำไมจึงมาพูดมากพระธรรมของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสพันพระธรรมมันแล้วก็เป็นหนังสือออกมาทั้งหมดตั้ง45้าเล่มพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ท่านตรัสไว่มากแต่เมื่อเรานํามาวิเคราะห์แต่ละสิกขบทแต่ละเรื่องราวแต่ละคําพูดของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นสวาขาธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นถึงท่านจะพูดมากก็พูดเป็นศีลเป็นธรรมถ้าหากว่าพูดไม่เป็นศีลเป็นธรรมถึงจะพูดคำเดียวมาด่าคนเลยนะหรือว่าไม่เป็นมงคลในการพูดอันนั้นแปลว่าถึงจะพูดน้อยก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าพูดออกไปแล้วหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าหาว่าพูดมากยิ่งพูดมากก็ยิ่งเสียหายมากอันนั้นก็ใช่ไม่ได้เอเบเหมือนกัน ทำให้จุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนไปหมดแต่ท่าถ้าว่าพูดมากแต่เป็นแนวธรรมคำสอนเป็นแนวความคิดพวกเราจะต้องได้ฟังแล้วก็เพื่อการศึกษาจากนั้นจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราถ้าพูดมากเข้าไปเราก็จะเรียนรู้เรื่องต่างๆเพราะเราทั้งหลายจะเรียนรู้จะรู้เรื่องจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้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 เราจะได้ฟังจากนั้นจิตของเราเมื่อได้ฟังหลักเหตุผลวิเคราะห์ดูแล้วใจของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วสมัยครั้งพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจถึงนักชัดขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เมื่อเมื่อจิตเมื่อฟังอัดฟังธรรมจิตใจข อ, ของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสนี่ข้อหนึ่งที่ว่าเมื่อเเมื่อเรามีความเห็นผิดเมื่อได้ได้ฟังอัดฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เราก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้เพราะเหตุใดเพราะเราฟังเหตุผล นี่แหละอันนี้ก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะการับถือญาติโยมลูกหลานท่านยังเน้นเพื่อเป็นพัมเบลีว่าสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง เ, ออเราได้ยินได้ฟังมา่างไหสุดตรมมะปัญญาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญ า, กาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนจินตนาการไข้ควรทบทวน ในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นการกรองด้วยเหตุด้วยผลอันนี้ว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเราเปรียบเทียบเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ของเราอันนี้ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนอันนี้เป็นปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนําพระส่์ก่อนที่จะพิจารณาอะไรการที่จะกันกรองไตรตรองเรื่องอะไรต้องทําให้จิตใจเน่งซะก่อนจิตใจสงบซะก่อนในเมื่อจิตใจสงบแล้วนําจิตใจที่สงบนั้นมาคิดมาวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจเราจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นเพราะ เราผ่านความสงบเรายืนนิ่งเหมือนกับเรายืนนิ่งพอเรายืนนิ่งเราจะมองเห็นในรอบด้านรอบข้างของเรามีอะไรตัวมดตัวเล็กๆตัวน้อยๆตัวเล่นตัวอะไรเราก็มองเห็นได้ถ้าสายตาของเราดีเราก็มองดูเพราะเรานิ่งถ้าว่าเราวิ่งกระโดดโล ด, ดเต้นเราจะไม่เห็นอะไรยิ่งตาไม่ดีใช่เราก็ยิ่งไม่เห็นอะไรอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราเนิ่งเราก็จะมองเห็นเรื่องราวเรื่องต่างๆได้เนี่ยแหละีว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนำมาพิจารณากัรกรองไตรตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นๆเราจะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้นี่อันนี้สรุปแล้วก็คือที่กล่าวมาทั้ง3ามสประเด็นเนี่ย ก็ห้าหกประเด็นเนี่ยสรุปลัก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาในเรื่องนั้นๆคงจะเป็นไปได้ยากคงจะเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังก็คืออะไรก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่วัดวาศาสนาก็ต้องมาทัศนศึกษามาเรียนรู้ และก็ไทยถามมีความสงสัยตรงไหนอย่างไรในเรื่องข้ออัดข้อธรรมเพราะว่าในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเท่านพระอานนท์บวชกับพระพุทธเจ้าก็อยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ถึงจะไม่ได้อยู่ตลอดแต่ยังไม่ได้เป็นพุทธอุปถาตแต่เมื่อฟ่นฟังธรรมก็ได้ฟังกับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านได้สาเร็จพระโสราบันขั้นแรก ท่านก็ได้สําเร็จพระสดาบันจากพระมนตรีบุตรพระมนตรีบุตรเถระที่พระอานุ์ได้ฟังธรรมถ้าท่านได้สาเร็จพระสดาบันนี่แหละไม่ใช่ว่าท่านได้ฟังจากพระพุทธเจา้าได้สําเร็จไม่ใช่นะนี่แหละการฟังธรรมแต่ละแต่ละท่านแต่ละคน เ, เราจะไมปว่าจะได้สําเร็จกับ องค์เดียวไม่ได้เมื่อฟังแล้วเออองค์นี้ฟังเข้าใจองค์ฟังองสองอีกเอออันนี้เข้าใจแต่ฟังองนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีตั้งเจอะแยะไปแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ควรประมาทท่านองค์อื่นฟังคนอื่นฟังอาจจะเข้าใจก็ได้แต่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่คนอื่นฟังเข้าใจไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เข้าใจเลประมาทดะไปเลยไม่ใช่เพราะความโง่ของเราบางเสียงบางอย่าง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายฟังธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวอย่างนี่นะบางคนฟังไม่เข้าใจเพราะหลวงตาพูดไม่ชัดเจนบางครั้งเพราะท่านเหมือนกับท่านสอนออมัธยมอย่างนั้นแนะแต่เราเป็นเรียนกอไก่ท่านสอนมัธยมเราจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะมันคนละชั้นละภูมิกันแต่พอขึ้นมาถึงมัธยมแล้วพ่อท่านพูดเราเข้าใจ เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาสาระธรรมะที่ท่านพูดเราะนั้นพูดลักษณะผู้ใหญ่แนะนําแต่ธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินนี่ยหลวงพ่อจะพูดแบบปู่แบบปุรณาการพ่อแม่ควรปฏิบัติกับลูกยังไงลูกควรปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไงครูบาอาจารย์กับสิทธิ์สิทธ์กับครูบาอาจารย์ประชาชนกับประเทศชาติประเทศชาติบ้านเมือง วางตัวยังไงการอยู่ด้วยกันในชุมชนและสังคมควรปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อจะพูดลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นฟังฟังดูแลก็เข้าใจง่ายเพราะอะไรเพราะพูดในเรื่องที่เราเป็นอยู่ในชุมชนและสังคมของพวกเราแต่ลวงตาในท่านพูดเรื่องแนวความคิดทางด้านจิตใจเรื่องกิเลสกิเลสความโลภมันออกมาอย่างไงความโกรธมันออกมาอย่างไง ความหลงมันออกมาอย่างไงมันมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมอย่างไงกิเลสภายในใจของแต่ละคนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของกิเลสแล้วนะเราฟังก็งงเหมือนกันนะแต่ถ้าฟังเข้าใจดีๆถ้าเราปฏิบัติไปด้วยถ้าเราฟังแล้วเข้าใจแล้วโอ้ธรรมเทศนาของหลวงตานี่ลึกซึ้งมากนะท่านพูดวิถีของกิตของใจแต่ละเวลาแต่ละขณะ มันคิดเรื่องอะไรกิเลสตัวไหนเข้ามาในช่วงนั้นๆเ น, น, นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังถ้าพวกเราฟังแล้วจะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเราอยู่ในระดับไหนเราก็ฟังฟังไปก่อนเพื่อการศึกษาถ้าเราอาศัยการได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็นะชำนิชำนานรู้เรื่องในการฟังอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันนะ หลวงพ่อเนี่ยเมื่อฟังเทศครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะเป็นเนนแต่โตมาหลวงพ่อไปเรียนธรรมวิภาคแห็แลกิเหปฏิบัติท่องหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทเนี่เป็นภาพบาลีแล้วก็เนื้อหาสาระหมวดหมู่พ่อฟังเออเข้าใจแต่นี่พอครูบาอาจารย์ท่านมาเทศท่านก็นั่นอ้างอิง ปริยัตจุดนั้นบางบางประเด็นพอมายกมาบางประเด็นเราก็เข้าใจได้ เ, เมื่อเราพอเราจับหลักได้แล้วเนี่ย เ, เพราะนั้นถ้าว่าผู้ที่ไม่เคยทางพระบาลีและไม่เคยข้ออัดข้อธรรมอย่างอเนจังทุกขังอนัตต า, าพิจารณาทุสตายรักปฏิจะสมุบาติวิช า, าคืออะไรพอฟังเรืงนีเราก็งงไปหมดแล้ว เนื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนมาทางพระบาลีแต่ถ้าเราได้เรียนมาอันนี้จังคือของไม่เที่ยงนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงชี้นําชีนน้แนะให้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานชัดเจนเออพอพูดแล้วก็ย้อนกลับมาพูดแปลเป็นคําไทยสักคนให้เข้าใจสะก่คนยังค่อยเดินไปข้างหน้าพูดต่อหน้าต่อไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเพียงแค่นี้จะไม่รู้หร อ, อ, อทําไมโง่นักท่านก็พูดอ่ะ พู ด, พ, ดพูดไปแต่เราก็โ ง, ง่จริงๆริงถิ่นเรก็ตีไม่ออกจริงจริงเพราะอะไรพอเราจับประเด็นแรกไม่ออกประเด็นที่2ที่สก็งงไปหมดเลยเอาไปมากิฟังไปฟังมาก็ไม่เติเ อ, อ์เธอร์เมอรลอยไปเรื่อยอะไรที่ไหเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจประเด็นที่ท่านชี้นําชี้แนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงยังไงก็ตามเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราต้องฟังต้องศึกษาศึกษาหลายครั้งต่อหลายโหนเข้าไปเราก็รู้ความหมายฉเฉลียวฉลาดไปเองนะสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้ววันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดของหลวงพ่อต่อเ น, นี้องไปหลวงพ่อและคณะสงฆ์เจ้านุมทนาให้พรต่อเ น, น, นี้อไปรับพร